ขอนอมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมา ส, สัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะปพะปุพหสิกขาและปุพสิกขาวันนาพระอมราพิรคิตะอมโรเกิดวัดบรมนิวารชนาปุพสิกขาวันนาหน้าหนึ่งนมัตถุรัตนัตยักษะ รัตนตยังนมิตวานาวานัมนุสิกิตุงอาดิมหิสยามภาสายะสังเขเปเนวพาศิตายาจะกพุพระสิกขาตัดสาวะโถกังวิถาระวันนังกิสังยาตุ ก, กามานังปนาเมีนสุพังพระเวข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมสัส ก, การซึ่งพระรัตนตรัย คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วบุพภสิกขาอันใดที่ข้าพเจ้าพาสิทธคือว่าแต่งไว้แล้วเพื่อให้กลุบุตรทั้งหลายผู้เป็นคนใหม่ในศาสนาศึกษาตามในการเป็นเบื้องต้นด้วยเป็นสยามภาษาโดยสังเขย่อนะันะข้าพเจ้าจะกระทาการวันน า, นาแห่งซึ่งบุพภสิกขานั้นโดยพิศดารสักน้อยหนึ่ง เพื่อกุลบุตรทั้งหลายผู้ใคร่จะรู้จะศึกษาในึิขาบทปัญญัติปฏิบัติตามจะได้รู้ด้วยข้าพเจ้านอบน้อมรัตนตรยัยขอความงามความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเถิดคำว่าปุพพสิขานั้นประสงค์เป็นชื่อคำทีเป็นของอันกุลบุตรจะเพิงศึกษาแต่แรกก่อนจึงได้ชื่อว่าปุพพสิขา เพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวว่าผู้จะอุปสมบทและอุปสมบทแล้วพึงศึกษาข้อทั้งเจ็ดนี้ก่อนก็ข้อทั้งเจ็ดนั้นคือรัตนัญญาบ พ, พะข้อว่าด้วยรัตนตรัยหนึ่งอาปัตินามาติปปะข้อว่าด้วยชื่อแห่งอาบัติเป็นต้นหนึ่งปฏิ ป, ต, ปติมุขสิกขาปปพพะ ข้อว่าด้วยศิขาบทเป็นปาเป็นทานแห่งความปฏิบัติตัยมากหนึ่งการิกะปัพระข้อว่าด้วยการิกหนึ่งพินทวาทิฐานาทิปปะพระข้อว่าด้วยวิธีมีพินทุและอธิษฐานเป็นต้นหนึ่งวิชะน a ทิปปะพระข้อว่าด้วยขาดอธิษฐานเป็นต้นหนึ่งอปาติเทศนาทิปปะพระข้อว่าด้วยสแสดงอาบัติเป็นต้นหนึ่ง เป็นเ็ดข้อดังนี้จะว่าด้วยรัตนัตยะปัะพระข้อต้นก่อนคำว่ารัตนัตยานั้นแปลว่าหมูดสามแห่งรัตนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามวัตถุนี้ชื่อว่ารัตนะเพราะว่าเป็นของประเสริฐกว่าสวญญ า, า, นะาวิญญาณนกะรัตนะและอวิญญาณนกะรัตนะซึ่งมีในไตรภพ อันหนึ่งเพราะเป็นของทําความยินดีให้บังเกิดแก่โลกทั้งสามจะกล่าวด้วยพระพุทธรัตนาก่อนถามว่าเรียกกันว่าพุทธพุทธนั้นอะไรเป็นพุทธแก่ว่าพุทธนั้นว่าโดยปรมัาถวูหานวิสุทธขันธสันดานคือกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณซึ่งเป็นของมีต่อมาแต่พบก่อน เป็นของปริจตจากบาป ร, รมอุปกิเลสคือไม่มีอากุศลเจตสิกเป็นแต่อภยากตะเจตสิกซึ่งบังเกิดแต่กุศลและเจตสิกนั่นแลเป็นพระพุทธเจ้าก็คืออบรมกุศลเพื่อจะละอกุศลลเจตสิกก่อนเมื่อกุศลที่เป็นโลกุตระและอกุศลและเจตสิกได้หมดสิ้นแล้วก็เลยเหลือแต่อภยากตะเจตสิกเท่านั้นว่าโดยโลกยะอุหาน ก็คือโวหารของชาวโลกสัตว์พิเศษผู้หนึ่งใช่พรมก็คือไม่ใช่พรหมใช่มารใช่เทพใช่มนุษย์หมายถึงไม่ใช่พรหมไม่ใช่มารไม่ใช่เทพไม่ใช่อัมนุษย์แต่เป็นมนุษยชาติเป็นมนุษย์อัศจรรย์มีปัญญาฉลาดล่วงสมณนะเทศ พ, พยดามารพรหมและทําสัตว์ให้บริสุทธิ์จากบาปธรรมอุปกิเล์ได้และสอนสัตว์อื่นให้ได้ความบริสุทธิ์ได้ด้วย นั่นแลเป็นพระพุทธเจา้าถามว่าพุทธพุทธนั้นแปลว่าอะไรแก่ว่าแปลว่าผู้รู้เท่าสังขารทั้งปวงด้วยตนเองและให้ผู้อื่นรู้เท่าสังขารด้วยเป็นผู้บาแล้วเต็มที่กุตุชนเช่นเราชื่อว่าเป็นคนขา่าวไม่รู้เท่าสังขารจึงต้องโศกเศร้าเมื่อเวลาสังขาร น, นั้นวิบัติถามว่าอะไรเป็นสังขาร แก้ว่าสังขารทั้งปวงที่เป็นของภายในและภายนอกประกอบด้วยวิญญาณและหาวิญญาณไม่ได้ที่มีขึ้นเป็นขึ้นด้วยเหตุภายในมีกรรมเป็นต้นหรือด้วยเหตุภายนอกมีฤดูเป็นต้นนี้แหละชื่อว่าสังขารรู้เท่าสังขา น, นั้นอย่างไรคือรู้ความเป็นเอกของสังขารประดิแก่รู้ทุกขสัตว รู้เหตุที่ให้เกิดสังขารก็ได้แก่สมุทัยสัตว์รู้ที่ดับของสังขารก็คือยิโรธทัตว์รู้หนทางดําเนินไปยังที่ดับสังขารก็คือมรรคสัตว์นี้แลชื่อว่ารู้เท่าสังขารก็เท่ากับรู้อริยสัจสีนั่นเองท่านรู้ความเป็นเองของสังขารอย่างไรพระองค์รู้ว่าสัพพะสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงแท้ย่อมแปรปลี่ยนไปต่างๆมีแล้วหาไม่เกิดแล้วดับไป สัตวธรรมทั้งปวงใช่ตัวใช่ตนคือเป็นอนัตตาด้วยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของผู้ใดเพราะไม่เที่ยงเพราะใช่ตนนั้นเป็นแต่กองทุกข์นี่แลเป็นความจริงเป็นความเป็นเองของสังขารพระองค์กาหนดรู้ดังนี้ด้วยปริญญาพิสมัยก็คือเป็นการตักสรู้ด้วยการกำหนดรู้โดยรอบอย่างนี้แล ชื่อว่ารู้ความเป็นเองแห่งสังขารรู้เหตุที่ให้เกิดสังขารอย่างไรพระองค์รู้ว่าปัญหาคือความยิ้นรนด้วยความอยากได้มีเองเป็นผู้สร้างสังขารภายในเพราะปัญหามีแล้วให้ตั ก, กระทำกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลที่จะตกแต่งสังขารเป็นกองทุกข์แล้วท่านมาละปัญหานั้นเสียได้ด้วยปะหานาพิสมัย ค, ค, คือการตรัสรู้ด้วยการละ อย่างนี้แลชื่อว่ารู้เหตุที่ให้เกิดสังขารรู้ที่ดับแห่งสังขาร น, นั้นอย่างไรพระองค์รู้ว่าพระนิพพานเป็นที่ดับตัณหาที่ให้เกิดทุกข์แล้วกระทำพระนิพพานให้แจ้งประจักษ์ขึ้นในพระหฤทยัยด้วยสัจฉิกิริยาพิจมัยคือการตัดรู้ด้วยการกระทำให้แจ้งอย่างนี้แลชื่อว่าท่านรู้ที่ดับแห่งสังขาร พระองค์รู้หนทางดําเนินไปยังที่ดับสังขารนั้นอย่างไรพระองค์รู้ว่ามรตประกอบด้วยองแตกมีสมาธิฐิเป็นต้นที่เกิดขึ้นแล้วกําหนดรู้ความทุกข์มลรตัญหาเห็นพระนิพพานนี้แลเป็นหนทางให้ถึงซึ่งความดับทุกข์และพระองค์ทำมรั้นให้มีให้เป็นให้เกิดขึ้นในพระอริยภารด้วยภาวนาที่สมัยคือการถัตสรู้ด้วยการอบรมเจริญภาวนาด้วย อธิจิตอธิปัญญานั่นเองอย่างนี้แลชื่อว่าท่านรู้หนทางดําเนินไปอย่างที่ดับสังขารพระองค์รู้ความรู้สี่อย่างนี้พร้อมกันแล้วก็คือญาณในอริสัตตสี่นี้ประชุมพร้อมเพียงกันจึงได้ความบริสุทธิ์จนไม่ยินดีถือว่าเรารู้เราเห็นแม้สังขารคือร่างกายของพระองค์จะวิบัติเป็นประการใดๆก็ไม่เศร้าไม่โศกเสียใจ เหมือนกุติชนอย่างนี้แหลชื่อว่าพระองค์รู้เท่าสังขารทั้งปวงถามว่าบุคคลที่ท่านเรียกกันว่าพุทธนั้นมีกี่พวกแก่ว่ามีอยู่สี่พวกคือเพ้าหูสูตรพวกหนึ่งท่านเรียกว่าสุตตพุทธเพราะเป็นผู้รู้เท่าซึ่งความดีความชั่วเป็นต้นด้วยการสดับและเล่าเรียนปริยติธรรม อริยสาวกอีกพวกหนึ่งท่านเรียกว่าสาวกาพุทธะเพราะได้ฟังคำสอนแห่งพระพุทธเจ้าแล้วแลรู้เท่าสังขารตามเสด็จพระพุทธเจ้าพระสยมภูผู้เป็นพระผู้รู้เองสอนผู้อื่นไม่ได้ดังคนใบ้ฝันเห็นจำพวกหนึ่งท่านเรียกว่าปัจเจกพุทธะเพราะรู้เท่าสังขารแต่ลำพังตัวเอง พระผู้รู้เองแล้วแลสอนผู้อื่นให้รู้ตามได้จำพวกหนึ่งท่านเรียกว่าสัพพัญยูพุทธะเพราะเป็นผู้รู้เท่าสังขารและทำทั้งปวงที่ว่าด้วยพุทธะในที่นี้ประสงค์เอาสัพพัญยูพุทธะอย่างเดียวถามว่าพระพุทธเจ้าของเรานี้พระองค์เกิดขึ้นในที่ไหนแก่ว่าพระองค์เกิดขึ้นในมนุษย์พวกอริยกะในมัชิมะประเทศ มชิมประเทศนั้นแปลว่าประเทศท่ามกลางเพราะว่าเป็นท่ามกลางที่เกิดแห่งพระพุทธเจ้าและพระปัิเจกพรพุทธเจ้าอัครส า, าวก พ, พุทธอุปทาและพระพุทธบิดาพุทธมารดาและจักรพัทีราชและติดฐสระปัปพชิตาผู้มีทิฏฐิวาทะต่างๆก็คือนักบวชนอกศาสนาดังท่ามกลางแห่งสนามเป็นที่มาประชุมแห่งชนทั้งปวงเช่นั้น มัชมประเทศนั้นอยู่ในทิศตะวันตกแต่ประเทศสยามนี้ไปประเทศสยามประเทศสรามันประเทศพม่าประเทศดาวเป็นต้นเหล่านี้ชื่อว่าปัจจันต์ประเทศมนุษย์เกิดในประเทศเหล่านี้ชื่อว่ามิลักขะกะมนุษย์มนุษย์ที่เกิดในมัชิมประเทศชื่อว่าอริยกะแต่เดี๋ยวนี้เขาเรียกประเทศนั้นว่าอินเดียถามว่าพระพุทธเจ้าเกิดในมัชิมประเทศ เป็นชาวเมืองไหนเป็นชาติอะไรเป็นโคตแท่อะไรพระนามเดิมชื่อไรเป็นบุตรผู้ใดพระองค์มีบุตรภรรยาหรือหาไม่เมื่อใดพระองค์จึงเป็นพระพุทธเจา้าแก้ว่าพระองค์เป็นชาวเมืองกะบีรพัฒในแขวงศักตะพระองค์เป็นชาติตัตตพวกศักยะเป็นโคตมะโคตรพระนามเดิมชื่อว่าสิททัตถะพระบิดาทรงพระนามว่าสุทโทธนะ อยู่ณเมืองกบิดพัทพระมารดาทรงพระนามว่าสิริมหามายาพระโอรสของพระองค์ทรงพระนามว่าราหุลพระเทวีของพระองค์ทรงพระนามว่าพิมพายโสธราเมื่อพระชนมายุของพระองค์ได้ยีบเก้าพรรษาพระองค์จึงละคารวะสมบัติออกบรรพชาบําเพ็ญเพียรแสวงหาโมกะธรรมอันบริสุทธิ์จถึงหกปี จึงได้ตัดสรรุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตอนนั้นไปพระองค์ทรงบำเพ็ญพุทธกิจสั่งสอนเว น, นัยยันิกรตลอดสี่ทิผ้าพรรษาจึงเสด็จดับขันธะปรินิพานณเมืองกุสินาราถามว่าบิดามารดาบุตรภรยาและสุขสมบัติเป็นของรักเหตุไฉนพระองค์จึงมาละทิ้งเสียได้แก่ว่า พระองค์มละทิ้งเสียได้ด้วยเหตุดังนี้คือพระองค์เห็นชราความแก่พยาธิความเจ็บไข้วรณะความตายเป็นกองทุกใหญ่ดั่งหนึ่งไฟเผาสัตว์อื่นและตัวท่านอยู่แต่ผู้อื่นนั้นเห็นคนแก่คนไข้เจ็บคนตายแล้วเกลียดชังไม่รู้ว่าของสามอย่างนี้เป็นของสาหรับตัว พระองค์เห็นว่าของสามอย่างนี้เป็นของสําหรับตัดอื่นและสําหรับตัวท่านจะเกลียดเหมือนอย่างคนอื่นของเกลียดก็ไม่ชอบจะรักก็ไม่น่ารักจะเฉยเฟี้ยวว่าช่างเถิดก็ไม่ชอบกนพระองค์เห็นแล้วว่าชาติพญาทิมรณะนี้เป็นภัยใหญ่หลวงน่ากลัวแต่จะหนีทางไหนก็ไม่พ้นด้วยเป็นของสําหรับอยู่กับรูปกายพระองค์จึงทรงอนุมานว่า ทำที่ไม่มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นที่หลีกหนีความแก่ความเจ็บความตายคงจะมีเป็นแน่เหมือนกับมีไฟเป็นของร้อนแล้วก็มีน้ำเป็นของเย็นแก้มีมืดแล้วก็มีแสงสว่างแก้แล้วพระองค์ค้นหาว่าความแก่ความเจ็บไข้ความตายมีมาแต่ไหนเห็นว่ามาแต่ชาติคือความเกิดค้นต่อไปว่าชาติมาแต่ไหน ก็ไม่เห็นชัดเจนปัญญาเหมือนกับเห็นของสามอย่างมาแต่ชาติพระองค์จึงร้อนพระหฤทัยว่าจะอยู่ในสุ ข, ขสมบัตินี้จะหาทาเป็นที่หลีกหนีความทุกข์เหล่านี้ไม่ได้เป็นแน่ด้วยเกลือนกลนอยู่ด้วยบุตรภรยาทรัพสมบัติที่จะพาให้ลุม่มหลงและถมทุกทวีขึ้นสิริสมบัตินี้เป็นที่คับแคบนักแล้วทรงเห็นว่าบรรดาชาทรงเพศเป็นบรรพชิตอยู่แต่ผู้เดียวนั้น ไม่เกลื่อนจนด้วยเหตุที่จะให้เกิดความยินดียินร้ายพระองค์จึงมาละสุ ข, ขสมบัติออกทรงเทศเป็นบรรพชิตสแสวงหาธรรมที่ติ้นทุกทั้งปวงเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เกิดเป็นสองครั้งคือเกิดด้วยรู ป, ปกายครั้งหนึ่งเกิดด้วยนามากายอันบริสุทธิ์ครั้งหนึ่งคือตั้งแต่ลงสู่พระคันของพระมารดาแล้วอยู่ในคันสิบเดือนแล้ว พระสูตจากพระคันณ์ณปารุมพีนิวันที่ระหว่างเมืองเทวตหะกับเมืองกบิลพัทมีพระกายพร้อมด้วยทวัดติงตะมหาปุริสลักษณะควรจะเป็นภาชนะรองพระพุทธคุณทรงพระนามว่าสิทธัตถะอยู่เป็นกุมารสิบหกปีพระบิดาให้เสวยสุขสมบัติอยู่ในปราสาททั้งสามสมควรแก่ฤดูทั้งสามได้สิบสามปี แล้วมลภราวทาสมบัติออกทรงเพศเป็นัลชิตบำเป็นความเพียรแสวงหากิ่งกุศลกุศลหกปีสเสด็จนั่งณโคนไม้ชื่ออาสัตถะที่เรียกกันว่าต้นโพณ ร, ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราจนสำเร็จวิชาสองเบื้องต้นและวิปัสนาญาณเพียงโคตรภูญาต่อกับโสดาปฏิมา ในการเท่านี้ชื่อว่าเกิดแล้วด้วยรู ป, ปกายยังเรียกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งแต่โสดาปติมัติโสดาปติผลจนถึงอรหัตมัติเกิดขึ้นชื่อว่าเกิดอยู่ด้วยนามกายคือกําลังเกิดกําลังเป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่อรหัตผลความรู้เท่าสังขารเกิดขึ้นแล้วไปชื่อว่าพระองค์เกิดแล้วด้วยนามกายคือได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว แต่ยังไม่ชื่อว่าผู้บาลเต็มที่แล้วด้วยยังไม่ได้บำเพ็ญพุทธกิจตั้งแต่พระองค์ทรงสแสดงธรรมจักรปะวัตนสูตรแก่ปัญจวัคคียิตุนาปาอิติปัตนะมรุทัยวันพระอัญญาโกณทัญญะเถระได้โสดาปัิผลรู้เท่าสังคารโดยเอกเทศตามเสด็จพระองค์แล้วไปจนพระองค์ดับขันด้วยอนุปาทิเสสนิปานธาธ ณระหว่างไม้รันทั้งคู่ในสวนสารวันแห่งมลรกษัตย์ชื่อว่าบานเต็มที่แล้วเพราะบำเพ็ญพุทธกิจเสร็จแล้วถามว่าอะไรคือรูปกายอะไรคือนามาตยแก้ว่ามหาพุทธรูปสี่อุปาทยรูปยี่สิบตีชื่อว่ารูปปายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสี่กองนี้ชื่อว่านามกาย นามกายไม่เกิดพร้อมกันกับรูปกายหรือหรือว่าเกิดพร้อมกันแต่ว่านามกายที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าคืออาตธรรมะอาตธรรมผลซึ่งเป็นพวกสังขารฐานที่ฆ่านามกายอันร้ายมีความโลภเป็นต้นซึ่งนับเนื่องในสังขารฐานด้วยกันนั้นยังไม่เกิดที่แรกก็เวลาที่ปฏิสธิรูปกายนั้นก็เกิดพร้อมกับนามกายแต่นามกายนั้นยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้า แต่ว่าเป็นนามกายที่ยังเป็นโลกิยะอยู่แต่ว่าหลังจากที่อารัตตะบัตรอารัตผลเกิดขึ้นอันนี้เป็นนามกายที่เป็นโลกุตระจึงได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าต่ออารัตตัอรัตผลเกิดแล้วจึงเป็นพระพุทธเจ้าพระเหตุนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าเกิดสองครั้งถามว่าพระองค์แสวงหากุสลธรรมนั้นอย่างไรแก่ว่า พระองค์แสดงหาด้วยอุบายต่างๆจนถึงกลั้นลมหายใจอดอาหารก็ไม่ได้ทำวิเศษติง่งใดภายหลังพระองค์จึงทรงนึกได้ถึงอาณาปานสติฌานที่พระองค์ได้เมื่อยังทรงพระเยาอยู่ครั้งหนึ่งว่าเป็นของอศัศจรรย์ชอบคนนักหนาเห็นจะเป็นทางแห่งความตัดสู้ได้พระองค์จึงลับเสวย อ, อาหารแล้วเสด็จไปตรงนั่งณคนไม้อศัศธาเจริญอาณาปานสติ คือตั้งปติเฉพาะลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวไม่ตรงจิตไปอื่นรางับกามฉันทะความใคร่ความพอใจพยาบาทความปองร้ายถีนมิทะความง่วงเหงาหานอนอุทธะจกุกุจจะความฟุง้งซ่าราคาญใจวิจิกิจฉาความเคลื่องแคลงเหล่านี้ที่เป็นนิวรเครื่องห้ามสมาธิเครื่องหมองใจเป็นของทาปัญญาให้เสียไปแล้วจึงได้ปฐมฌาน เป็นฌานประกอบด้วยองค์หคือวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคตาแปงกลา้ากว่าเจตสิกธรรมอื่นแล้วพระองค์พยายามยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยลําดับรำนับวิตกวิจารณ์เป็นของหยาบเสียเหลืออยู่แต่ปีติสุขเอกคตาเป็นทุติยฌานแล้วรำนับปีติเป็นของหยาบเสียเหลืออยู่แต่สุขเอกคตาเป็นตติยฌานแล้วละตกเป็นของหยาบเสีย เหลืออยู่แต่เอกกตากับอุเบคาทีกา่กล้าเป็นจตุตฌานแล้วพระองค์ทำฌานทั้งสี่นั้นให้ชำนาน ข, อข้อ่มแคล้วด้วยการนึกและการเข้าเป็นต้นครั้งจิตใสบริจุดละเอียดดีแล้วด้วยอำนาจจตุตฌานพระองค์จึงน้อมจิตไปเพื่อปุกเพนิวาสานุสติญาณคือปัญญาที่ตามระดึกซึ่งขันที่ตนและสัตว์อื่นอยู่แล้วในพก่อนชาติก่อนก็ระึกได้ ซึ่งชาติหลังตั้งแต่ชาติหนึ่งจนถึงอเนกสังวัตติอุวัตตกับความสงสัยว่าพบก่อนชาติก่อนจะมีหรือหาไม่นั้นก็สิ้นไปเห็นชัดว่าพบก่อนชาติก่อนมีแน่แท้แต่ทว่าเห็นว่าสังสารวัตรมีเบื้องต้นแม้บุคคลระลึกตามไปก็ไม่รู้อันนี้เป็นวิชาที่ต้นพระองค์ได้ในปฐมยามครั้นมันชิมยามพระองค์ก็น้อมจิตไปเพื่อจุดตูปปาตาญาน คือปัญญาที่รู้ที่เห็นจุติปฏิสนทิแห่งสัตว์พระองค์ก็ได้เห็นสัตว์ทั้งหลายที่ประพฤติทุจริตทั้งสามกอบด้วยมิจฉาทิฐิจุติแล้วไปบังเกิดในอบายภูมิด้วยอกุศลกรรมนั้นและสัตว์ทั้งหลายที่ประพฤติสุจริตทั้งสามกอบด้วยสัมมาทิฐิครั้นจุติแล้วไปบังเกิดในสุขติภูมิด้วยกุศลกรรมนั้นพระองค์เห็นชัดด้วยทิพยาจักรสุญาณดังนี้ ความสงสัยว่าสิ่งไรเป็นของแต่งให้ตั์ได้ดีได้ชั่วและความสงสัยว่าชาติมาแต่ไหนก็สิ้นด้วยเห็นชัดว่ากรรมคือบุญบาปเป็นของแต่งสัตว์ให้ดีให้ชั่วชาติมาแต่กรรมมาพบอันนี้เป็นวิชาที่สองพระองค์ได้ในยามกลางครั้นวิชาทั้งสองชำระทางปัญญาให้บริสุทธิ์แล้วพระองค์ก็น้อมจิตไปเพื่ออาสวัคยาญาณ ปัญญารู้ซึ่งทำเป็นเครื่องสิ้นอสวะได้แก่มัดผลและมิพานคือพระองค์ปรารบชราพยาธิมรณะซึ่งเป็นทุกข์ประหนึ่งว่าไฟเผาตัดที่ได้เห็นแล้วแต่เดิมนั้นก่อนจึงค้นหาปัจจัยแห่งความทุกข์นั้นก็ได้เห็นว่าชราพยาธิมรณะนั้นมาแต่ชาติชาติมาแต่ตรมมภพ ก, ก็คือกุศลอากุศล พบมาแต่อุปาทานความยึดมั่นสี่อย่างคือการมู้ปาทานทิฏฐุปาทานสีละพะตุปาทานอัตวาดุปาทานอุปาทานสี่อย่างก็มาแต่ตัณหาคือความดิ้นรนด้วยความอยากตัณหาก็มาแต่เวทนาคือความเสวยรสแห่งอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์และมัธยัตคืออุเบกขาเวทนามาแต่ผัสสะความกระทบถูกต้องคือทวารมีจัตประสาทเป็นต้น ปัสส์ที่เกิดขึ้นต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจคือทวามีจกักรูกปะสส์เป็นต้นและวิญญาณมีจกักรวิญญาณเป็นต้นและอารมณ์มีรูปเป็นต้นถึงพร้อมกันเข้าเรียกกันว่าผัสส์การกระทบกันหือว่าการประชุมพร้อมกันของธรรมสามอย่างก็คือทวามอารมณ์แล้วก็วิญญาณปัสสนั้นก็มาแต่อายตนะหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ อายตนะหกมาแต่นามรูปสิ่งที่น้อมไปนึกอารมณ์ได้เป็นนามสิ่งที่คิดหาวิบัติด้วยเย็นนักร้อนนักเป็นต้นเป็นรูปนามรูปก็มาแต่วิญญาณคือปฏิสนธิจิตวิญญาณมาแต่สังขารของแต่งสัตว์ให้ดีให้ชั่วคือบุตรศนและอาุรศลก็คืออภิสังขารนั่นเองสังขารมาแต่อวิชชาคือความไม่รู้แจ้งว่านีทุก์นีเหตุให้เกิดทุกนี่ความดับทุก นี่ผนทางให้ถึงความดับทุกข์แล้วพระองค์เห็นว่าอาวิชชากับปัญหาสองอย่างนี้เป็นรากเง่าเค้ามูลแห่งสังสารวัฏแล้วจึงจริลึกปััสนาให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อมละอวิชชาปัญหานั้นจริลิิปััสนาอย่างไรพระองค์จับอวิชชาสังขารวิญญาณ น, นามรูปายตนะภาษเวทนาตัญหาอุปาทานพบชาต เหล่านี้ละสิ่งและสิ่งคือแต่ละอย่างแต่ละยางขึ้นพิจรรารณานึกพิจิิิไชว่าใช่ตัดใช่บุคคลใช่ตัวใช่ตนใช่เขาใช่เราเป็นสภาพอันหนึ่งหนึง่งอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นแล้วดับไปดับไปแล้วก็เกิดขึ้นเมื่ออวิชามีอยู่ก็เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารมีอยู่ก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณมีอยู่ก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป นามรูปมีอยู่ก็เป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะอายตนะมีอยู่ก็เป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะมีอยู่ก็เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนามีอยู่ก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหามีอยู่ก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานมีอยู่ก็เป็นปัจจัยให้เกิดภพภพมีอยู่ก็เป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติมีอยู่ก็เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์คือชรามรณะโศกะริเทวะทุกขโทมนัสอุปาญาต เป็นกระหนึ่งว่าเพลิงเผาอยู่ให้ร้อนทุกพบทุกชาตินี้แหละทำอาศัยซึ่งการแลกันเกิดขึ้นดังนี้ก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นเองหมุนเวียนไปในสังสารวัฏจะว่าสิ่งไรเป็นเบื้องต้นเป็นท่ามกลางเป็นเบื้องปลายนั้นไม่ได้ได้จริงอยู่แต่กองทุกเท่านั้นเกิดขึ้นดับไปหมุนเวียนอยู่ในสังสารวัฏจะว่าตัดและบุคคลสวยทุกนั้นก็ไม่ได้ ก็เป็นสภาพอันหนึ่งอันหนึ่งอาศัยกันในการเกิดขึ้นเท่านั้นแล้วพระองค์ก็เห็นว่านี้แลเป็นความทุกข์ความทุกข์นี้จะพึงกําหนดรู้แท้ได้แล้วพระองค์ได้กําหนดรู้ด้วยป ร, ริญญาพิสมัยดังนี้กัหนรู้ด้วยการกําหนดรู้และพระองค์รู้ว่าอาวิชชาตันหาสองนิแลเป็นมูลรากแห่งสังสารวัฏเป็นเหตุให้เกิดกองทุกข์ดังว่ามา อวิชาตัญหาจะพึงละได้แทะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าสัจญานสัจญานนะพระองค์ก็ละเสียได้ด้วยปหานาพิสมัยนนก็คือรู้ว่าจะต้องละตัญหาวิชาเนี่ยเป็นสมุทยัยก็เป็นสัจญานเป็นสิ่งที่จะต้องละก็เป็นกิจญานเมื่อรู้ด้วยการละได้ก็เป็นกัตญาณจะมี ยานสามในอริยสติปัจจญาณกิจญาณแล้วก็กตตาญาณคือรู้ทุกสมุทัยนิโรธมัตตตามความเป็นจริงนี่เรียกว่าปัจญาณรู้ว่าทุกขจะต้องทํากิจก็คือคกําหนดรู้สมุทัยต้องละนิโรธต้องทําให้แจ้งมัตตต้องเจริญอันนี้ก็เป็นกิจญาณส่วนทุกกําหนดรู้แล้วสมุทัยละแล้วนิโรธทําให้แจ้งแล้วมัตตเจริญแล้วอันนี้ก็เป็นกัตตาญาณก็เป็น อริยสัตตีมีรอบสามก็ได้รวมเป็นอาการ 12. สิบสองพระองค์เห็นว่าดับอวิชชาตัณหาสองนี้ได้แล้วสังขารวิญญาณนามรูปเป็นต้นที่เป็นผลก็ดับสิน้นทรที่ดับทุกนี้จะพึงเห็นได้ชัดเป็นแท้พระองค์ก็เห็นทมที่ดับทุกชัดได้ด้วยถัดฉิกิริยาพิสมัยคือเห็นพระนิพพานด้วยการกระตันนิแจ พระองค์เห็นว่าปัญญาความเห็นอย่างนี้เป็นทางให้ถึงที่ดับทุกข์ปัญญานี้เป็นของจะพึงให้มีให้เจริญขึ้นได้เป็นแท้แล้วพระองค์ก็ได้ทําให้มีให้เจริญขึ้นด้วยภาวนาพิสมัยความกําหนดรู้ทุกข์มละอวิชาตันหาเห็นนิพพานชัดความเป็นขึ้นแห่งมรรคจิตอย่างนี้เกิดขึ้นในขณะจิตอันเดียวชื่อว่าเป็นมรรคเกิดขึ้นนะ ก็เกิดขึ้นในมัคจิตมัคจิตเกิดขึ้นนี่ก็เป็นตามประชุมพร้อมเห็นแจ้งอริยสติพร้อมกันในขณะนั้นมักนี้เกิดขึ้นในการใดการนั้นอาสวะเครื่องดองในสันดานทั้งสามคือกามาสวะภาวสวะเป็นตัวตัณหากับอวิชชาสวะก็สิ้นศูนย์อาสวะมีตีสวะในที่นี้ก็รวมทิฏฐาสวะไว้อวิชชาสวะมีทิฏฐาสวะก็มี ตามัตย์กับภาวะนั่นก็คือตัวตัณหาส่วนอวิชชาสวะคือตัวโมหะตัณหาเนี่ยคือตัวโลภะทิฏฐิสวะก็อยู่ในนี้นั่นแหละเพราะว่าทิฏฐิสวะก็เกิดกับโลภะนั่นเองแล้วผลเกิดขึ้นระงับซ้ําอีกครั้งหนึ่งมรรคผลนี้แหลชื่อว่าอาสวัขยยาณปัญญารู้ความสิ้นอาสวะเครื่องดองในสันดานอาสวัคยยานนี้ชื่อว่าวิชาที่สาม พระองค์ได้ในเวลาจวนรุง่งวันวิสาขาปูรณะมีดั้งกลามานี้แหลชื่อว่าพระองค์สแสวงหาทำเป็นที่สิน้นความทุกข์วันนี้ก็สมควรกัเวลาตรงนี้ค่อยฟังต่อในเรื่องที่ว่าเพราะเหตุใดพระองค์จึงเห็นชาตชราพยาธิแล้วก็เห็นสมณะแล้วก็ออกบวชเพราะเหตุใรคนอื่นเห็นจึงไม่ออกบวช กอขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นผู้ที่อบรมไตรสิกขาดืวยกำลังของศรัทธาที่ได้ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมพระสาวกทั้งหลายได้น้อมนําคําสอนมาแสดงให้ฟังแล้วก็ปลูกศรัทธาภาษาพะอบรมไตรสิกขาเพื่อความสิ้นไปแห่งวัฏฏุกขของตนเองแล้วก็เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นด้วยขอโนมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ